คนมาที่นี่ก็เพราะความทุกข์นะมันผลักมันพามามถ้าไม่ทุกข์ก็องไม่มาที่นี่เพราะว่าที่นีไ่ไม่สะดวกสบายเท่ากับที่บ้านแต่มาที่นี่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะหายทุกข์นะมันต้องลงแรงด้วยการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่หายทุกข์ แต่ปฏิบัติแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเล่นๆก็ต้องปฏิบัติจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเพราะ เ, เมื่อต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับการปฏิบัติที่มันซ้ำซากดูเหมือนจำเจต้องทําต่อเนื่องทั้งวันชนิดที่เรียกว่าสวนทางกับนิสัยความเคยชินเดิม ที่ที่นี่เนี่ยมันก็มีแนวทางการปฏิบัติที่สามารถจะช่วยให้ไกลจากทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้นั่นคือการเจริญสติแต่การเจริญสติเนี่ยสหรับบางคนหรือว่าหลายคนก็เพียงเพื่อให้หายจากความเครียดให้จิตได้พบกับความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านไม่จมอยู่ในความวิตกกังวลหรือว่าทำให้ใจนี้เกิดสมาธิอันนี้เป็นความมุ่งหวังของคนจำนวนไม่น้อยที่มาที่นี่และบางคนเนี่ยก็คาดหวังว่าที่นี่นะจะมีการวิธีปฏิบัติที่นิ่งๆเจ่นหลับตาอยู่นิ่งๆ เราไม่คิดว่าเนี่ยการภาวนาของที่นี่เนี่ยมันจะลืมตาแล้วก็เคลื่อนไหวไปมาถ้าไม่เดินจงกมก็ยกมือสร้างจังหวะแต่ไม่มีคำบริกรรมไม่มีการบังคับจิตให้อยู่นิ่งๆหรือว่าหยุดคิด ว่าสงสัยว่าแล้วมันจะช่วยให้หายเครียดกลายจากความทุกข์ได้ยอย่างไรที่ิงการเจริญสติเนี่ยนะจะมุ่งหมายเพื่อให้เราเริ่มต้นด้วยการมีสติกกรู้กายเรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นนี่เห็นด้วยตาไหนไม่ใช่ตาเนื้อและจากเห็นกายเคลื่อนไหวต่อไปก็รู้ใจคิดนึก ไอความคิดนึกที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนี่แหละนะที่มันเป็นตัวการที่ทำให้ผู้คนมีความเครียดมีความทุกข์มีความวิตกกังวลจมอยู่ในความเศร้านะเรื่องราวที่เจ็บปวดจะผ่านไปนานแล้วหรือยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำาแต่ว่ากังวลไปลวงนาเพราะความคิดนี่แหละ นี่พอมีสติรู้ทันความคิดนี่มันช่วยทำให้ปลดเครื่องใจกออกจากความยุ่งตกกังวลความเครียดความหนักอกหนักใจหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เราสรรหามาทำร้ายตัวเองนี่เรามีสติเห็นความคิดมันก็นำไปสู่การปล่อยการวางวางความคิดวางอารมณ์ต่างๆอารมณ์นี่ ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เราทุกข์นะน่าจะเป็นอารมณ์อกุศลเกินความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ทําให้ใจเป็นทุกข์หรอกจนกว่าใจเราจะไปยึดไปถือหรือว่าเข้าไปเป็นเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดเป็นผู้ทุกข์นะแต่ถ้ามีสติเนี่ยโดยเพราะสัมมาสติเนี่ยมันจะทําให้ใจมีปลดเปลื้องจากอารมณ์และความคิดเหล่านี้ได้ หรือตามมาคือความสงบสงบไม่ใช่เพราะไม่คิดสงบไม่ใช่เพราะไม่โกรธมันคิดและมีความโกรธแต่ว่าไม่เข้าไปยึดแทนที่จะหลงอยู่ในความทุกข์ก็กลับมารู้สึกตัวใจก็โปร่งโล่งถ้าเกิดความสงบจากคนที้สงบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจบแค่นั้นนะต้องทําต่อเพราะการปฏิบัติเนี่ย เราไม่ได้มุ่งเพียงแค่ว่าให้จิตมันปลอดโปร่งจากความคิดและอารมณ์ที่มารบกวนแต่ว่าจะต้องไปให้ถึงลงลึกไปถึงกิเลสตัณหาอุปาทานสติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจเนี่ยนะทำให้เรารู้ทันกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันเกาะกลุ่มจิตหรือแฝงตัวอยู่เบื้องหลังความคิดนึกต่างๆ ถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยใจแค่สงบสบายผ่อนคลายแต่ว่ากิเลสไม่ลดอุปาทานไม่เบาบางนี่มันก็ยังไม่ถูกนะเราต้องปฏิบัติจนทั่งเห็นนะกิเลสหรือไอความยึดมันในตัวกูของกูที่มันฝังลึกอยู่ในใจที่นำไปสู่ความเห็นแก่ตัว แล้วก็นำไปสู่ความยึดติดถือมั่นต่างๆและนำมาชึ่งความทุกข์ในความสุงขอบความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นมันเป็นของชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะลวงลึกไปถึงกิเลสอัตตาที่มันอยู่ในส่วนลึกหรืออยู่เบื้องหลังความคิดและการกระทำคำพูดของเราเนี่ย มันก็จะยังมีทุกข์อยู่เรื่อยไปถูกต่อว่าด่าทอาก็โกรธโมโหแต่ยังดีหน่อยที่มีสติรู้ทันก็วางความโกรธลงได้สูญเสียทรัพย์สูญเสียอของรักก็เสียใจเพราะว่ามีความยิดว่าเป็นของกูเจออะไรไม่ถูกใจ ไม่เป็นไปดังใจก็ทุกลูกไม่เชื่อฟังไม่ทำตามพ่อก็ทุกแล้พอไปยึดว่าลูกของกูหรือไปยึดมั่นกับความปรารถนาความต้องการของกูจะมาทั้งไม่สนใจว่าลูกเขาจะคิดอย่างไรจะควบคุมบมัคบบัญชาให้ลูกเป็นไปดังใจตน พอไม่เป็นไปดังใจก็ทุกข์เสียใจโกรธสติมันก็ช่วยได้นะในความหมายที่มันทาให้รู้ทันความคิดและอารมณ์แต่มันต้องทำมากไปก่อนนั้นนะคือทำให้เห็นในความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูหรือกิเลสนะที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังลความคิดและการกระทาของเรา ตรงนี้มันต้องอาศัยสติที่เรียกว่าสัมมาสตินะเพราะสติธรรมดานี่มันก็ยังไม่พอโจรผู้ร้ายมันก็มีสติเหมือนกันในการประกอบวิจฉาชีพมันจะลักขโมยเข้าไปในบ้านเปิดตู้เซฟหรือแม้แต่จะแฮกข้อมูล ทางคอมพิวเตอร์นี้พูกนี้ต้องใช้สติสมาธิแต่ว่าสติมันไม่มากพอที่จะเห็นกิเลสโลภะหรือตัณหาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวที่ผลักดันให้ทําชั่วประกอบการทุจริตหรือเป็นวิชาชีพใ น, นการปฏิบัติของเราเนี่ยมันต้อง ไม่หยุดเพียงแค่ว่าใจสบายหายเครียดผ่อนคลายเสร็จแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังทำอะไรเหมือนเดิมยังมีทัศนคติเองต่างเหมือนเดิมแบบนี้มันก็จะเกิดความทุกข์ตามมาตอนที่เราเจริญสติก็ให้เห็นลึกไปถึงกิเลสตัณหาอุปาทานหรือตัว อัตตาที่มันมีความที่เป็นความสำคัญบรนหมายและตัวกูของกูนี่ถ้าเราจับหลักการปฏิบัติได้เนี่ยมันก็ก็อย่าพอใจเพียงแค่ว่าปฏิบัติในรูปแบบตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธิเดินตรงกลมสร้างจังหวะแต่ให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันกลมเกลือนไปกับชีวิตประจาวันเอาไปใช้เอาการปฏิบัติมัน ให้มันแทรกซึมไปถึงการดำเนินชีพของเราโดยเพราะเวลาทำงานทำการเพราะว่าชอวิตคนเราส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็หมดไปกับการทำงานและงานที่ว่านี้ไม่ใช่หมายถึงงานประกอบอาชีพอย่างเดียวรวมไปถึงงานอย่างอื่นที่อาจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม งานบุญงานจิตอาสาการด้านศาสนาหรือการช่วยเหลือสังคมยิ่งทำงานพวกนี้นี่ยิ่งจำเป็นต้องมีการขัดเกลาวภายในต้องอาศัยการภาวนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐาน พอไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้พวกกิเลสตัณหาอัตตานี่มันขึ้นมาครอบงำได้คนจนไม่ไม่น้อยเนียเน่ยเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่ดีๆมีคุณค่ามีเจตนาดีอยากจะทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อศาสนาทำเพื่อสังคม แต่ไ ป, ปมาๆ ม, มาลงเอยด้วยการทําเพื่อตัวเองเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเพื่อหน้าตาของตัวแม้แต่เป็นงานบุญงานกุศลก็เป็นไปเพื่อหน้าตาเพื่อชื่อเสียงของตัวหรือบางทีก็ถึงกับหาประโยชน์ส่วนตัว จากงานดังกล่าวเรียกว่าจุดมุ่งหมายที่มันเคยเริ่มต้ น, นด้ยดีมันกลายเป็นผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนออกจากจุดมุ่งหมายที่ดีงามอันนี้ก็เพราะว่าไม่รู้ทันกิเลสนะไม่รู้ทันตัณหาก็เลยถูกลาบยศ อำนาจผลประโยชน์เนี่ยมันหลอกล่อทำให้ยึดติดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เพื่อตัวเองแต่ถ้าว่าเรามีการภาวนานมีการปฏิบัติธรรมขัดกลวตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่เปิดช่องให้การทำดี ของเรามันกลายเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแค่มาเล่นกันเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการทำดีไม่ได้ผิดเพี้ยนคาดเคลื่อนนะแต่กจุดมุ่งหมายที่ดีงามแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติธรรมนะมันก็อาจจะทำได้ไม่ต่อเนื่องไม่ยืนยาวเพราะเหนื่อยเพราะท้อ เพราะเครียดนี่ก็จะไม่น้อยเนี่ยนะแม้ว่าจะมีจิตใจดีนะอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อาศาสนานะแต่ว่าทําไปทาไปก็ท้อเลิกกลางคันบางคนก็เจ็บป่วยเนะพราะความเครียดบางคน ราอแท้ผิดหลังจนบางทีซึมเศร้าไปเลยหรือหนักกว่านั้นก็คือทำร้ายตัวเองอันนี้เพราะว่าความเครียดนะความทุกข์มันรุมเราแต่ถ้าว่าเรารู้จักการภาวนามันก็ช่วยทำให้ไม่จมอยู่ในความทุกข์ และสามารถที่จะทำได้ทำสิ่งดีๆได้อย่างยั่งยืนการภาวนามันช่วยอย่างไรนะมันช่วยให้เราเนี่ยรู้จับมีสติอยู่กับปจัจจุบันอยู่กับงานที่ทำคนเราเนี่ยถ้าใจมันอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับงานที่ทำเนี่ยไม่ไปตรวจจอกังวลอยู่กับเป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องอนาคต มันจะเครียดน้อยนะไอ้ความเครียดคนส่วนใหญ่เวลาทางานเนี่ยมันเป็นเพราะใจเนีย่ยเปนไปจดจ่ออ ย, อยู่กับผลลัพธ์เป้าหมายที่ต้องการแล้วกลัวว่าจะไม่สำเร็จหรือว่ากังวลว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีก็เลยเครียดแต่ถ้าเอาใจอยู่กับปัจจุบันนะคือมีสติอยู่งานที่ทำเนี่ย มันความเครียดก็ลดลงริ่องอันนั้นก็คือถ้าเกิดมีส ต, ติเห็นรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์มีความเครียดเกิดขึ้นก็รู้จักวางมีความกล่วความุมีเกิดขึ้นก็ไม่พลัดหลงเข้าไปเป็นมันก็ไม่ถูกความเครียดหลุมเรารู้จักปล่อยรู้จักวางได้รวมทั้ง เวลาพักผ่อนก็สามารถจะวางงานการลงมันจะนึกถึงงา น, นจะห่วงงานอย่างไรก็รู้ทันไม่เผลอคิดปรุงต่อไปให้เครียดนี่เรียกว่าสายสติในการรู้ทันความคิดและอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะภาวนาไปถึงขั้นที่เรียกว่าไม่หลงยึดใน สิ่งที่ระยว่าตัวกูของกูเนี่ยนะเวลาถูกวิพากวิจารณ์คนที่ตัวกูเบาบางเนี่ยนะมันก็จะไม่ทุกข์แต่คนทํางานจำนวนมากเนี่ยทุกข์เพราะถูกวิพากวิจารณ์บางทีก็ขอพูดด้วยความเข้าใจผิดแต่บางทีเขาก็วิจารณ์ถูกแต่คนเราเนี่ยถ้าหาว่าไม่รู้ทันอัตตานะมันก็จะเอา อัตตาเขาไปรักและยิ่งคนที่ยึดมันสําคัญหมายในตัวกูมีอัตตามากเนี่ยมันจะเป็นทุกข์มากเนีเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะควาวิพากษ์วิจาร์มันไปกระทบกับตัวกูแต่ถ้าภาวนาจกนกระทั่งรู้เท่าทัน เ, นเลขกลนของอัตตาหรือภาวนาจกนกระทั่งอัตตานี่มันเบาบาง ใครวิจยอยยังไงมันก็ไม่ทุกข์กับหาประโยชน์จากคําวิจณ์นั้นให้เป็นประโยชน์กับงานกับการและถึงเวลาที่งานมันล้มเหลวนะแม้ว่าจะไม่ปรารถนาแต่ว่าใจมันก็ไม่ทุกข์เมื่คนเวลาทำงานเนี่ยเป็นเพราะความยึดมันนะว่างานของกูงานของกู บางทีไม่ใช่งานของกูนะแต่ว่ากูเนี่ยงานนันกลายเป็นตัวกูขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นพองงานล้มเหลวเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวกูล้มเหลวด้วยเกิดความทุกข์เกิดความโกรธแค้นขัดเคืองหลวงว่ามเขียนนั่นเคยเพราอว่าเนี่คยคนเคยถามท่านว่าท่านทำงานมาเยอะ ท่านคิดวา ง, งานท่านสำเร็จไหมพ่อบอกว่างานอตมาล้มเหลวทั้งนั้นเลยแต่งานล้มเหลวตัวตมาไม่ล้มเหลวถ้าคนที่จะพูดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีการปนะฏิบัติจนกระทัง่งไม่ไปยึดว่า ง, งานเนี่ยเป็นกูเป็นของกูแม้ว่า ง, งานมันจะดีประเสริฐอย่างไรมีเจตนาที่ดีงามสูงส่งแค่ไหนเนี่ย แต่ถ้าไปยึดว่าเป็นงานของกูหรือยึดงานนั้นว่าเป็นตัวกูเนี่ยถึงเวลาที่งานมันล้มเหลวก็จะเป็นทุกข์มากเพราะากูล้มเหลวไปด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่ยึดมันถือมันในงานนั้นว่าเป็นงานของกูงานล้มเหลวใจก็ไม่ทุกข์มันทำให้มีกำลังในการจะทำงานต่อไป คนเราเนี่ยไม่ค่อยรู้ทันนะว่าไอความยึดมั่นในตัวกูของกูนี่มันก่อทุกข์ให้กับเราแค่ไหนโดยเพราะเวลาทํางานหรือเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างลูกอย่างพ่อแม่เนี่ยนะมีลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ทันนะไปยึดว่าลูกของกูลูกของ ก, ก, องกูเพราะฉะนั้นก็ไปพยายามบังคับบัญชาให้ลูกเนี่ย เป็นไปดั่งใจนึกเป็นไปดั่งใจปรารถนาเพราะว่าเป็นยื่เป็นของกูเนแต่ลูกไม่ใช่ของกูอยู่แล้วก็ย่อมไม่เป็นไปดั่งใจปรารถนาของพ่อแม่พอเป็นเช่นนั้นก็ทุกข์ทุกข์เพราะยึดว่าลูกเป็นของกูหรือทุกข์เพราะอยากให้ลูกเป็นไปตามความปรารถนาของกู ในการที่ทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวก็จะคิดว่าทำเพื่อลูกแต่ที่จริงแล้วทำเพื่อตัวเองนะเอาความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยถ้าไมระวังก็จะลงเลยแบบนั้นเป็นกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก ลูกของกูนะไปเป็นงานของกูหรือว่าเป็นหน่วยงานของกูบางทีเป็นประเทศของกูไปเลยและพอยึดมาเป็นของกูแล้วก็ธรรมดาก็ปรารถนาจะบงการให้มันเป็นไปดังใจตนไอ้การที่พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นไปดังความปรารถนาของเราเนี่ยถ้ามองลึกๆเนี่ยก็คือ การทำเพื่อตัวเองนั่นแหละทำให้ทุกอย่างเป็นไปดั่งใจตนมันเป็นการเอาตนเป็นศูนย์กลางนในทุกอย่างเนี่ยหมุนรอบตัวเองงนั้นถ้าเกิดว่าเราภาวนาจนกระทั่งรู้ทันอํานาจของกิเลสอัตตาไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบครองใจ สามารถที่จะคลายความยึดมั่นในตัวกูของกูไดนะ้ถึงเวลางานล้มเหลวนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตามไปด้วยและถึงเวลาสำเร็จนะก็ไม่ได้เกิดความหลงไหลเพลิดเพลินปราบปรืมยินดีเนะพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะเราคนเดียวมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆมากมาย แล้วคนที่เห็นแล้วคนที่ภาวนามากมายมันจะเห็นเลยนะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะแม้แต่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันก็เพราะเหตุปัจจัยต่างๆมากมายมันจะเกิดสิ่งที่ท้าจากพุทธะเรียกว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างนะหรือเวลาทําอะไรเนี่ยนะก็แม้จะทําด้วยความวิริยะอุตสาหะ แต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในผลสำเร็จเพราะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราสำเร็จก็ดีไปนะไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราอย่างพลาษิตจริงก็ว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์ความสาเร็จเป็นของฟ้าอันทาพูดแบบพูดก็คือว่าความพยายามเป็นของมนุษย์นะแต่ว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย นึนกว่าเรานำเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาใช้เอาการทำงานเนี่ยเราก็อยากทำงานได้ด้วยใจที่ทุกน้อยแม้ว่าจะเพียงพยายามเต็มที่ก็ตามมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทำเต็มที่แต่ไม่สี่เรียดนะแล้วขณะเดีวยวกันเนี่ยการภาวนายังมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะคือมันทำให้เราได้พบความสุขภายใน ความสงบซึ่งมันตัวหล่อเลี้ยงให้เรามีกำลังในการทำงานโดยที่ไม่ไปหลงไหลกับความสุขจากชื่อเสียงจากเงินทองจากราบสักการะคนที่ทำงานไปทำงานไปแม้เจตนาดีแต่สุดท้ายเนี่ยไปติดในราบสั ก, การะจนกระทั่งทำงานนั้นเพื่อตัวเองมากกว่าเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็เพราะว่า ไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่มันดีกว่าความสุขจากลาบสักการะแต่ถ้าคนเราเนี่ยเข้าถึงความสุขที่สงบเย็นได้นะเราก็จะเป็นอิสระจากลาบสักการะมากขึ้นสามารถจะมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายหรือว่าแม้จะไม่มีคนยกย่องสรรเสริญล้วก็ไม่ได้ทุกข์อะไรยังมีความสุขอยู่กับความสงบภายใน มันก็ทำให้มีกําลังในการทํางานจริงๆพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าการภาวนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องแยกออกไปจากการทํางานแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าเราจับหลักการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมได้เราก็สามารถใช้การงานนั่นแหละนะเป็นอุปกรณ์เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นว่าต้องแยกตัวมาที่วัดมาเข้าคอร์ส มาเติมพลังแล้วกลับไปทำงานไม่เป็นว่าจะต้องออปลีกตัวมาภาวนาก่อนนอนหรือตื่นนอนก่อนที่จะออกไปทำงานอันนั้นก็จำเป็นนะมีประโยชน์แต่ว่าในการทำงานโดยใช้งานนั่นะเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมมันก็ทำได้เหมือนกัน นะเพราะว่าพอถ้าเราทํางานด้วยการวางใจเป็นมันก็ช่วยลดกิเลส ช, ช่วยลดความเป็นแก่ตัวเห็นความทุกข์ของผู้คนแล้วมันก็ทําให้ความทุกข์ของเรากลายเป็นปเรื่องเล็กเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมันก็ทําให้เราเอาตัวเองเป็นใหญ่น้อยลงนะยอมลดลาวาศหรือยอมลดความต้องการเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมีความอดกลั้นมากขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าระเบิดออกไป มันจะเกิดความขัดแย้งเกิดเรื่องวุ่นวายการงานก็ล้มเหลวหรือว่าหมู่มิตรก็แตกแยก <Okay. S 1> พอคิดถึงสวนโ ล, ลวงเลยเนี่ยมันก็ทำให้รู้จักอดกลั้นต่ออารมณ์และยิ่งเจอคาตอว่าดาทอคมวิพากษ์วิจารณ์ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแบบฝึกหัดในการลดอัตราเจอความล้มเหลวนะก็ถือว่าดีนะ เราเดชได้เรียนรู้ล้ามันเป็นการภาวนาไปพร้อมๆกันได้ถ้าหากว่าทำอย่างนี้นะมันก็จะเป็นสอดคล่องอับทาตอาจารท์เ จ, ะจะ้าุทาเลยว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมยิ่งทำงานนะกิเลกก็ยิ่งลดลงนะอัตตก็เบาบางลงและประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมไม่อาจะเป็นงานบุญงานสังคมก็ เพิ่มพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ให้เราเข้าใจให้ดีๆนะว่ามันไม่ใช่แค่ต้องมาปฏิบัติกันในวัดแต่จะต้องนำเอาไปปฏิบัติท่ามกลางการทำงานท่ามกลางการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้งานการนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกฝนขัดเกลาตัวเองไปพร้อมๆกันด้วย